มันก็เอาของเราหนีไปทั้งหมดและผู้ร้ายไม่ได้อยู่ที่บ้านทัานจริงๆและไม่เป็นเจ้าของบ้านจริงๆเนี่อันนี้ควมเปรียบเทียบให้ฟังแต่ผู้ร้ายม่เอาของแล้วมันหนีไปความโกรธกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดมันจอนมาเข้ามาในขณะที่เราไม่เห็นกายเห็นใจเราไปหลงตนลืมตัวเราไปติดรูปสวยรูปงามติดคนรวย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 อย่าโยมนั่งอยู่ในขณะ น, นี้จิตใจไม่มีโกรธหรือมีโกรธเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีมันโกรธขึ้นเป็นบ้างไหมยเป็นเนี่ยเป็นบางครั้งเนี่ยอันนั้นไม่ใช่เป็นของจริงพระพุทธเจ้าท่านบอกมันไม่ใช่เป็นของจริงมันจรมาเนื่องจากเราไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจจิตเดิมแท้ของเราหรือชีวิตเดิมแท้ของเราหนูเคยตักบาตรไหเยเคยให้ทานหลายอย่างนะแล้วโกรธกันอย่างเป็นอยู่นหม เน่แสดงว่าเราให้ฐานสิ่งเหล่านั้นเป็นวัตถุดิบภายนอกเอามาถลุงเสียเอาไปเข้าโรงงานซะให้โรงงานเขาถลุงดีๆแล้วก็คัดเลือกเอาแต่ของสิ่งที่มันมีประโยชน์มีค่ามากไปที่ไหนมาที่ไหนจะไม่หนักอกหนักใจเมื่ออายุสี่สิบหกปีนี่ไปทำวิธีการเคลื่อนไหวพลิกมือขึ้นก้มมือลง ยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงท้ายเอียงขวัวก้มเงยพริบตาเนี่ว่ามือตาขึ้นหลับตาลงเลือดใต้แลขวัวกืนน้ำลายเข้าไปในลำคอเนี่ยเกิดมีความรู้สึกในเรียบทเหล่านั้นก็เลยมันไปตรงเอากับคำพูดคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ว่า ให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถใหญ่ๆเหล่านี้และท่านยังสอนแนะนำให้เรามีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดท่านก็ให้มีสติกำหนดรู้ท่านสอนมันก็เลยเข้าใจโอสิ่งที่เราทำ ในขณะนี้มันตรงเป้าหมายเพราะการศึกษาธรรมะกับธรรมศาสต ร, ร์มาจริงๆธรรมศาสต ร, รคนเนี่ยมันต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจะหยุดนิ่งไม่ได้ถ้าหยุดนิ่งเมื่อใดอันตรายเกิดขึ้นเมื่อนั้นหรือขณะนั้นคําว่าอันตรายก็หมายถึงอะไรหมายถึงว่าหมดลมหายใจไม่มีการเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง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 ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นั้นนะให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนและให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบทย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามอันนั้นเราไม่มีปัญญาก็เลยกำหนดไม่ได้จำเป็นต้องหาวิธีเรียกว่าวิธีการคือจังหวะ เรากําลังฝึกหัดอบรมกันอยู่ในขณะนี้หรือปัจจุบันนี้ให้เอามือวางไว้ที่บนขานั่งพับเพียบก็ได้ขัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ถ้าหากคนเท่าคนแกน่นั่งตรงไม่ได้ก็เอียงบัลงก์คนเรวีเอียงหรือพิงฝาพิงเสาเอาหมอนหรือเอาอะไรมาพิงแล้วก็นั่งเอามือวางไว้บนขาข่อมไว้พลิกมือขวาขึ้น ซาซาแต่คนใดมีกำลังแรงทางมือซ้ายก็ต้องพลิกมือซ้ายขึ้นตะแขงไว้ทำซาสาอย่าไปทำเลวแล้วก็มันตั้งขึ้นกับให้รู้สึกมันหยุดก็ให้รู้สึกความรู้สึกนั้นเรียกว่ามีสติรู้พูดภาษาธรรมะเรียกว่ามีสติเข้าไปกำหนดรู้ผู้ภาษาเพื่อนบ้านเราล่ะให้รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจน ยกมือขึ้นกำลังมันไหวตัวขึ้นมาเนะี่ยให้รู้เมื่อมันหยุดมันนิ่งอยู่ก็ให้รู้แต่ไม่ได้นิ่งไม่มีลมหายใจไม่ใด่วันนิ่งอย่างนั้นคือมือมันหยุดนิ่งแต่เรื่องพิษตาหายใจเลือดซ้ายแหลขหัวตาแล้วคือนน้าลายอย่าไปกําหนดอันนั้นให้กําหนดการเคลื่อนไหวที่รูปหยาบหยา บ, ยาบนี่ก่อนบัด น, นี้เอามือเข้ามาที่สะดือมันแนบแน่แนอยู่ที่ตรงนั้น แต่แน่นไม่ใช่กดนะเพียงเอามาแนบไว้เบาๆรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวรู้การเคลื่อนการไหวอันนี้แหละแล้วกับพลิกมือซ้ายขึ้นตามลําดับที่เราเคยแนะนํากันมาเมื่อนั่งนานมันเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหลังปวดเอวบ้านหลวงเขาเรียกปวดเอวทางกรุงเทพนี่อาจจะว่าปวดเอวอาจจะว่าอย่างนั้นแล้วก็พยายามเคลื่อนไหวนั่งเขา่า โย่ตัวขึ้นอย่างที่เคยทําเลสาธิตให้ดูมามากแล้วพอสมควรดังนั้นเมื่อทําอันนี้เนี่ยสัญญามันจะเกิดขึ้นมาเองไม่ใช่สัญญาเป็นเรียนจํามาจากตํำรับตาําราอันนั้นมันเป็นสัญญาที่เรียกว่าวัตถุดิบเอามาเข้าโรงงานให้โรงงานบดถลุงเข้าไปจะเอามาไช้เรีย้ยวล่อหลอมอเป็นองค์พระขึ้นมาก็ได้ บัด น, นี้สัญญาตัวนี้กับสัญญาตัวนั้นแต่คําพูดว่าสัญญาเหมือนกันแต่การกระทํานั่นจับมาให้คนดูไม่เห็นสัญญาอันนั้นมันจะคอยสะสมทิละนิดทีละนิดเมื่อสะสมมากๆเข้าเดียวว่ายานปัญญามันจะเข้าไปรู้เองมันยานไปว่าเข้าไปรู้ไม่ใช่เหาะแต่ก่อนเข้าใจว่ายานต้องเหาะเข้าใจอย่างนั้น เมื่อมันเข้าไปรู้พอเี่ามันเต็มสัดส่วนของมันแล้วมันก็เลยเหมือนกับน้ำที่เราเทลงในแก้วแก้วน้ำที่เราเอามาสันกันบัณฑิน้ำมันเต็มมันก็ล้นออกบ้านลงงคนเดียวมันล้นแก้วมันจะลงใส่บนดินดินเขาซุ่มเย็นไปหรือไปถูกกับรากไม้ต้นไม้ก็จะสดซื่นขึ้นมาเพราะว่ามันเย็น เรียกว่าปัญญารอบรู้ก็ เ, เลยเกิดรู้เกิดเห็นเกิดเข้าใจของจริงคําว่าของจริงนี่หมายถึงอริยรสัจสัจจะแปลว่าของจริงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ปแปรผลัคนคงที่ถาวรแม้จะรู้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่รู้ก็เป็นอยู่อย่างนั้นการกระทําอย่างนี้จะรู้ของจริงเพราะของจริงนั้นมันมีมาก่อดพระพุทธเจ้าคือการ เคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็รู้ทำเห็นทำเข้าใจทำดังนั้นในขณะนี้พวกเราทำเรียกว่าเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้รู้ทำเห็นทำการรู้ทำเห็นทำก็รู้ตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราสัมผัสแนบแน่นอยู่ในตัวเราเรียกว่าเห็นธรรมคาว่านิมิตแปวลว่าเครื่องหมายไม่ใช่เป็นอย่างนั้น เครื่องหมายคืออะไรการเคลื่อนไหวให้รู้สึกนั่นแหละเดี๋ยวเปล่าหมายให้เรามีสติรู้เท่าทันเหตุการณ์เคลื่อนไหวเดี๋ยวเปล่าหมายเดี๋ยวเป็นนิมิตนิมิตจึงแปล า, าเครื่องหมายเครื่องหมายคือสัญญานั่นเองสัญญาตัวนี้แหละจะมากขึ้นมากขึ้นแต่คาพูดว่าสัญญาเหมือนกันเมื่อสัญญารู้มากขึ้นมากขึ้นญาณปัญญาเข้าไปรู้ คำว่ายานปัญญาเข้าไปรู้แล้วก็ไม่มองเห็นอย่างที่เปรีย้ยเพียบให้ฟังว่าน้ําเราหยดลงในกวดแก้วกวดแก้วก็ดีมันรองรับเอาน้ํานั้นไว้ได้เก็บน้ําได้ทุกหยดทุกปรับน้าก็เต็มสมบูรณ์เมื่อหยดลงมาหยดลงมาเหมือนกับฝนหรืจะเป็นเม็ดน้อยๆก็าตามถ้าหากที่รองรับดีแล้วจะสามารถเต็มได้แล้วก็ล้นออกไปสู่พื้นดิน และพื้นดินนก็ใจะซุ้มเย็นขึ้นไปลากไม้ที่มาดูดเอาความซุ้มเย็นอะสดซื่นขึ้นมาทันทีคนเราก็เช่นเดียวกันเมื่อรู้ตัวเองการเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็รู้เมื่อรู้แล้วจิตใจก็สดซื่นขึ้นมาเรียกว่ายานเข้าไปรู้เมื่อยานเข้าไปรู้ก็เนี่ยปัญญาหลอบรู้แต่มันจะเกิดขึ้นพร้อมกันนั่นแหละแต่เรามาพูดเป็นแต่ละคำละคำ รู้ ก, ก็คือรู้ตัวเองภาษาธรรมะเรียกว่ารูปภาษาเพื่อนบ้านเรียกวกายกับใจรูปนามบัด น, นี้รูปนามนั่งอยู่เฉยๆเ ป, เป็นเพียงรูปเพียงนามรู้อย่างนั้นเมื่อการเคลื่อนไหวพลิกมือขึ้นขั้วมือลงยกมือไปเอาบือมาจากขุดดินฟันไม้ขีดเขียนหนังสือเรีว่ว่ารูปทำนามก็ทําไปรูปมันทําใจก็ทําไปเรียกว่ารูปทำนามทำรูปโลกนามโลกบัด น, นี้ รู้มาอย่างนี้โลกก็หมายถึงความสับสนวุ่นวายเดือดร้อนแน่ความเจ็บปวดในเนื้อหนังโลกเนี่ยมันมีอย่างนี้คําว่าความสับสนวุ่นวายเดือดร้อนคือภายใน จ, ใจิตใจโลกเจ็บหัวปวดท้องเป็นบาดเป็นแผลเดี๋ยวโลกผิวหนังถือว่าอย่างนั้นบัด น, นี้โลกผิวหนังจําเป็นต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอตรวจเซ็กร่างกายให้ดีแล้วหมอจะให้ยาถ้าหมอที่ดีนะ ตรวจเซ็กร่งางกายให้ยาก็ทุกทันทีเลยโรค ก, ก็หายไปได้ถ้าหากหมอยังไม่ชานาญในการรักษาโรค ก, ก็ต้องทดลองยาต้องหลายขนาดหายาประเภทนั้นมาให้กินหลายเรื่องจึงจะหายอันนี้โรคทางผิวหนังโรคทางร่างกายแต่โรคทางจิตใจเรียกว่าความสับสนวุ่นวายเดือดร้อนหมอในโรงพยาบาลรักษาไม่หายจาเป็นต้องศึกษาธรรมะ ที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นั้นให้รู้จิตใจนึกจิตใจคิดทนนโลกทางจิตโลกทางวิญญาณดีใจเสียใจโกรธเกลียดอันนั้นเรียกว่าเป็นโลกทางจิตวิญญาณไม่ใช่โลกทางกายเมื่อศึกษาให้รู้ให้เห็นให้เข้าสัมผัสแนบแ น, บแนบ่อยู่กับสิ่งเหล่านั้นเลยว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาพูดภาษาอย่างที่เราเราพูดกันอยู่นี่เดียวว่ ขวมรู้สึกตัวรู้สึกใจตื่นตัวตื่นใจเอาสะนะตัวเอาสะนะใจเพราะเป็นคนไม่หลงตนไม่ลืมตัวไม่หลงกายไม่ลืมใจเห็นอันนี้เข้าใจอันนี้สัมผัสแนบแน่วสัญญาจําได้ไม่หลงไม่ลืมไม่ต้องไปศึกษาที่นอกตัวเราไปเห็นธรรมะต้องเข้าใจอย่างนี้ควมทุกข์ก็ลด ลดลดน้อยลงน้อยลงถึงกับจะไม่มีทุกข์ก็ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อรู้จักอันนี้ก็เลยรู้จักทุกขังอันนี้จังอนัตตาคำว่าทุกขังก็หมายถึงว่าคนเราจะนั่งนิ่งนิ่งไม่ได้ความทุกมันติดอยู่กับรูปอันนี้เรียกว่าสัญญาลู่เองญาไม่ปรัชนาเข้าไปลู่เองปัญญาจะรอบลู่เองไม่ต้องถามใครที่ไหนก็ได้ที่เราฟังกันมานั้น ทรงจําแต่มันไม่สะอาดมันยังมืดตื้ออยู่ภายในจิตใจจิตใจไม่มีความสว่างไม่มีความสดซื่นภายในจิตใจเมื่อเรารู้เห็นเข้าใจอย่างนี้จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจสดซื่อคำนว่าอย่านเบิกบานด้วยธรรมใช่ไหมรู้ธรรมเห็นธรรมก็จิตใจเขาเบิกบานด้วยธรรมล่ลาเริงด้วยธรรมอยู่ด้วยธรรม กินด้วยทำนั่งด้วยทำนอนด้วยทำเรียกว่ารู้ทุกขังรู้อนิจจังรู้อนัตตาท่านว่าไตรลักษณะทั้งสามอย่างนี้พวกคนต้องมีท่านว่ายัางไงก็เลยรู้ตามความเป็นจริงรู้เรื่องที่จิตใจมันเป็นขมทุกแก้ปัญหาอันนี้ได้อันนี้เลยจังหวารู้ศาสนาศาสนาจึงแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้พุทธศาสนาเนี่ยพุทธะแปลผู้แจ้งรู้จริง พุทธศาสนาจริงว่าพุทธะจึงไปผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเมื่อรู้แจ้งรู้จริงก่อนรู้ธรรมะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะอยู่กับธรรมะนั่งกับธรรมะนอนกับธรรมะไปไหนมาไหนเอาธรรมะไปด้วยท่านจึงว่าไม่ค่อยอิจาริษยาเบียดเบียนใครถ้าพระเจ้าท่านสอนว่าทมเหล่าใด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 ที่อาตมารู้ก็ต้องรู้ไปอย่างนั้นแล้วเพื่อนเพื่อนที่มีชีวิตอยู่ด้ยวยกันก็ต้องรู้ไปคล้ายๆกันจริงว่าศึกษาธรรมะแท้นั้นต้องรู้อย่างเดียวกันบ้า ก, ก็คือควไม่รู้สิ่งเหล่านี้เองบ้าเพราะมันมืดใจเหมือนกับคนอยู่ในถรำนั่นเองบุญบ่เนี่ยบุญคือความเบาใจคือความสว่างนั่นเองจริงวาธรรมะนั่นเจือคือคนทุกคนถ้าไปโกรธเกียรติธรรมะแล้ว แต่โกรธคนก็ไปโกรธธรรมะแต่เกลียดคนก็ไปเกลียดธรรมะแต่โกรธคนก็ไปโกรธพุทธศาสนาแต่เกลียดคนก็ไปเกลียดพุทธศาสนาและเราจะมีศาสนาทาไหม